ยังเป็นกระบอกเสียงแทนพระสัสดาได้หากถามท่านในวันนี้ก็เชื่อเถิดว่าท่านจะยังตรัสเช่นเดิมดังปรากฏในตอนท้ายของมหาสติปัฐานสูตรคือใครก็ตามที่เจริญสติปฐานทั้งสี่นี้อย่างต่อเนื่องเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอระหัตตผลในปัจจุบัน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 ก็เป็นประกันให้อุ่นใจแล้วว่าถ้าชาติพบมีจริงเราย่อมไม่ไหลลงอบายอีกและ้านิพพานมีจริงวันหนึ่งเราก็เที่ยงที่จะเข้าถึงแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครกระพื่อข่าวอันเป็นมหามงคลของโลกดังกล่าวมีแต่เสียงลือดุดข่าวร้ายประจายุคว่าช้าไปแล้วล้าสมัยแล้วสายเสียแล้ว